จันเขาว่าอุปกิเลสนั้นๆคําว่าวิมุตติยา น, นังเนี่ยเป็นวิมุตติยานก็คือยานที่เกิดร่วมยานที่ในวิมุติคําว่าวิมุติได้แก่จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นจากอุปกิเลสทั้งหลายหรือความที่จิตนั้นหลุดพ้นแล้วยานคือความรู้ในวิมุตินั้นะชื่อว่าวิมุตติยานคือรู้ว่าเช่นโซดาปฏิมาเกิดขึ้นนะหลังจากนี้ไปส ก, กายทิถิวิจิกิจฉาม่เกิดอีกต่อไปเนี่ยนะ ศีระพตะปรามาจะไม่มีอีกต่อไปท่านปัญญา น, นี่แหละเรียกว่าวิมุตติญาณท่านกล่าวอธิบายการพิจารณากิเลสที่ละแล้วด้วยญาณ น, นี้ก็อันนี้ก็หมายถึงปัจเวคขณะญาณที่พิจารณากิเลสนั่นเองว่าพระอริยบุคคลเมื่อพิจารณาความสืบต่อแห่งจิตที่หลุดพ้นแล้วจากกิเลสก็ดีซึ่งความหลุดพ้นจากกิเลสก็ดีเว้นกิเลสเสียแล้วก็พิจารณาไม่ได้ ก็ไอจิตหลุดพ้นเนี่ยหลุดอะไรหลุดจากกิเลสถ้าไม่เอากิเลสมาพิจารณาแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าจิตหลุดพ้นจากอะไรเพราะฉะนั้นก็พิจารณาว่านะตั้งแต่นี้ต่อไปสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีและพ้าตาปรามาจะไม่เกิดอีกเลยเนี่ยนะไอปัญญาที่พิจารณาอย่างนี้แหละเรียกว่าวิมุตติยานแต่คําว่าวิมุตติยานี้อมความถึงปัญญาที่พิจารณาจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสทุกทุกมักนะ อันนี้หมายถึงว่าปัจเวกขณะยานของโสดาของพระโสดาบันของพระสกท า, าคามีของพระอนาคามีของพระอรหันต์ที่บอกว่าอันนี้เน้นไปที่พระอรหันต์เลยพิเศษก็คือว่าวิมุตติวิมุตตส밍วิมุตมมตามิติญาณังหูติแปล ว, ว่าเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วดังนี้ท่านกล่าวไม้เอาวิมุตติญาณ น, นี่แหละอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายใช่ไหม บอกว่าเมื่อจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นแล้วรู้ชาติว่ะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทําทําเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอันเนี้ยลักษณะนั้นแหละเรียกว่าพิจารณาถึงกิเลสว่าสิ้นโดยประการทั้งปวงส่วนการพิจารณากิเลสที่ยังเหลืออยู่แม้ไม่ได้กล่าวเลยไม่ได้กล่าวไว้แล้วก็พึงถือเอาว่าเป็นอันกล่าวแล้วด้วยวิมุตติยานอันนะ มัดที่พิจารณากิเลสที่เหลือเนี่ยนะมีเฉพาะสี่ท่านเออขออภัยสามท่านนะพระโสดาบันยังพิจารณากิเลสที่เหลือพระสกทาคามีาายังพิจารณากิเลสที่เหลือพระนาคามียังพิจารณากิเลสที่เหลือพระหันไม่มีเพราะไม่มีกิเลสเหลือแต่ในที่นี้เนี่ยนะท่านบอกว่าพิจารณากิเลสที่ละแล้วก็พอกิเลสที่เหลือไม่ไม่ได้พูดก็ถือว่าเป็นอันพูดแล้ว ก็ยกลักขณะหาระในคำพีเนติปรกรณ์ใช่ไหมวุตตมีเอกธรรมเมเยธรรมไม่กัลคณาเกจินะที่ว่าในการกล่าวเอกธรรมเนี่ยนะหรือกล่าวธรรมะอันใดอันหนึ่งที่มีสภาวะลักษณะเป็นอย่างเดียวกันธรรมะที่เหลือถึงไม่ได้กล่าวก็ถือว่าเป็นอันกล่าวแล้วอย่าง น, นีอย่างเหมือนกับในใ น, ในอัตถกถา มูลปริยัสูุติก็แสดงอย่างนี้เหมือนกันบอกว่าถ้ากล่าวมหาภูต ร, รูปแล้วอุปาทายรูปก็เป็นอันกล่าวแล้วยกตามเนี่ยลักณะาหาระอันนี้ก็เหมือนกันถ้าพิจารณากิเลสที่ละแล้วก็แสดงว่าพิจารณากิเลสที่เหลือด้วยแต่การพิจารณากิเลสที่เหลือเนี่ยนะไม่ได้มีเป็นเป็นกับทุกท่านเพราะว่าพาระาหันไม่มีการพิจารณากิเลสที่เหลือ มักของพระอริยะบุคคลบางท่านไม่ได้พิจารณากิเลสที่เหลือเช่นท้าเจ้ามหานามสัคยะไม่ได้พิจารณากิเลสที่เหลือพิจารณาเฉพาะกิเลสที่ละแล้วเลยไม่ได้รู้ว่ากิเลสกิเลสตัวไหนเหลือบ้างนะท่านก็ละราค่าโทสะโมหะในส่วนที่โสดาปติมัคละได้นะแต่ไอัที่เหลือท่านไม่ได้พิจารณาเพราะฉะนั้นบางวันเนี่ยท่านเข้าไปในเมืองประกอบไปด้วยรถมีรถ ม้ามีม้มามีช้างมีคนชุลมุนวุ่นวายเนี่ยอท่านตั้งสติไม่ได้หรือเจริญกรรมาฐานไม่ได้ท่านก็เลยรำพึงกับพระพุทธเจ้าว่าโอ้นี่ถ้าสมัยที่จะจุติตอนนั้นแย่แน่เนี่ยนะสงสัยจะไปอาบายนแน่พรงค์ก็บอกว่าเบ้าใจเธอเบ้าใจเธอะยังไงพระงค์คติพระองค์ไม่เลวซามแน่ทําไมพระองค์จึงรับรองอย่างนั้นเพราะอาริยมรรคของพระองค์เนี่ยจะเป็นตัวรักษาว่าพระเจ้ามหานามะไม่ตกต่าแล้วของเราเนี่ยนะ เห็นรับอารมณ์ทั้งหลายฟุ้งเหมือนกันแต่ก็ไม่เหมือนกันฟุ้งกองไออกุศลเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าเจ้ามหานามะมีมรรคแล้วเราอริยมรรคยังไม่เกิดนะนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจองคงไม่ตรายกับเราว่าจงเบาใจเถิดจงเบาใจเถิดอนะนีน <c oughs> คิดว่าพระองค์ขาดยังไงดีคงบอกอย่าประมาทเถิดอย่าประมาทเถิด อีกอย่างหนึ่งเพิ่งทราบว่าเป็นอันกล่าวถึงการพิจารณากิเลสที่ละแล้วซึ่งธาระยับบุคคลสี่จะเพึ่งได้เพราะธาตหันไม่มีการพิจารณากิเลสทั้งหลายที่เหลืออยู่นี้มาดูปัจเจกขณะยามต่อไปคำว่าตาทาสมุทาคเตธรรมเมประสันเนปัญญาปแปลวา่าปัญญาในการพิจารณาเห็นธรรมะที่เข้ามาประชมในขณะนั้นความว่า ปัญญาเป็นเครื่องเห็นเพ่งรู้ในธรรมะคือมรรคและผลกับทั้งในธรรมะคือสัจจสี่ที่เกิดขึ้นในมรรคขณะและผลขณะคือมาพร้อมแล้วถึงพร้อมแล้วประชุมกันในการนั้นด้วยสามารถแห่งการได้เฉพาะและด้วยสามารถแห่งการแทงตลอดอริยมรรคนี้ได้เฉพาะนะปฏิลาภส่วนอริยผลนี้เป็นการแทงตลอด อันนี้ปัจจเวกขณะยาวเนี่ยคือพิจารณาขณะพิจารณามัคพิจารณาผลเพราะมัคผลนี้เป็นธรรมชาติที่แทงตลอดพระนิพานหรือแทงตลอดอริยสัจก็เห็นเลยว่าอริยผลนี่มีองค์ประกอบอะไรบ้างมีคุณธรรมอะไรบ้างอริยมัคเกิดขึ้นนั้นโพธิปัจจัยธรรมประชุมกันอย่างไรอันปัจจเวกขณะยาวอันนี้พิจารณาองค์คุณของอริยมัคว่าอริยมัคมีองค์ประกอบอย่างไรบ้าง คำว่าปัจเวคขณะยานางแปลว่าปัจเวคขณะยานความว่ายานเป็นเครื่องหมุนกลับหมุนกลับก็คือทวนกลับมาพิจารณามารู้แจม แ, แจ้งก็ปัจเวคขณะยานนั้นท่านกล่าวไว้แล้วด้วยยานทั้งสองนี้ตรงนี้ยกตัวอย่างว่าพิจารณามักกับพิจารณาผลเรียกว่าปัจเวคขณะยานส่วนวิมุตติยานคือพิจารณากิเลสที่ละแล้วกับกิเลสที่ ที่เหลือเรียกว่าวิมุตติยานปัจเวคขณะยานคือพิจารณามรึกกับพิจารณาผลทําไมไม่พิจารณาหนี้ภาณน่อยเพราะยังไม่ได้กล่าวเนาะก็ในที่สุดแห่งโสดาปฏิพันธในมรรควิถีจิตของพระโสดาบันก็ลงภวังอ่ะนะพอโพลจิตเกิดแล้วก็ต่อด้วยภวังขจิตน่ยนะต่อแต่นั้นก็ตัดภวังขาดมโนทวารวัชนะก็เกิดขึ้นเพื่อพิจารณามรึกอ่ะนะหนึ่งวิถีวิถีหนึ่งเกิดขึ้นก็พิจารณามรึก ครั้นมโนทวาราวชนะนั้นดับลงแล้วชาวนาจิตพิจารณามร ก, ก็เกิดขึ้นเจ็ดขณะโดยลําดับชนิแลนะหนึ่งวิถีพิจารณามร์ครั้นแล้วก็ลงสู่ภวังอีกอาวัชนะจิตเป็นต้นก็เกิดขึ้นพิจารณาธรรมทั้งหลายมีผลเป็นต้นคือพิจารณาผลเพราะความเกิดขึ้นแห่งธรรมะเหล่าใดมีผลเป็นต้นพระโสดาบันก็พิจารณาสรุปนะหนึ่งวิถีแรกพิจารณามร์วิถีที่สองพิจารณาผล วิถีที่สามพิจารณากิเลส ท, ที่ละแลว้ววิถีที่สี่ก็พิจารณากิเลส ท, ที่เหลือแล้วก็วิถีสุดท้ายพิจารณาพระนิพพานนี่นะก็พระโสดาบันนั้นพิจารณามักว่าเรามาแล้วด้วยมักนี้หนออันนั้นมีตรงนี้มีคำว่าหนอหน่อยก็เพราะอริยมรรคเนี่ยเป็นนิยานิกระทธรรมใช่ไเป็นธรรมที่นำออกจากทุกข์เพราะนั้นตัวอริยมรรคตัวนี้นำเราออกจากทุกข์นอเหมือนกัน ต่อแต่นั้นก็พิจารณาผลว่าอานิสงส์นี้เราได้แลว้วอริยผลนี้เป็นอนิสงส์ที่เกิดจากการได้อริยมรรคหรือที่มาด้วยอริยมรรคก็ได้อนิสงส์อย่างนี้ต่อแต่นั้นก็พิจารณากิเลส ท, ที่ละแล้วว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสเหล่านี้เราละได้แลว้วก็แล้วแต่ว่าได้มรรคไหนถ้าโสดาปฏิมรรคก็ละอะไรบ้างสกายทิเทติจิกิช้าศีละพตาปรามมาส ต่อแต่นั้นก็พิจารณากิเลส ท, ที่มักเบื้องบนจะพึงประหารว่ากิเลสเหล่านี้เรายังเหลืออยู่เช่นการมาราคาปฏิฆาอย่างหยาบโอ้อันนั้นต้องโซดาเอสกัตถาคามีมักนะอย่างละเอียดก็ต้องอนาคามีมักที่เหลือก็ต้องอรหัตตมักเพราะฉะนั้นเขารู้เลยว่าโอ้อันนั้นต้องใช้มักระดับนั้นระดับนั้นต้องระดับภาวนามักนะจึงจะดับได้เพราะทัศนะมักนี่ก็ละได้เท่าที่ได้นี่แหละ ในที่สุดก็พิจารณาอมะตะนิพพานว่าธรรมะนี้เราได้แล้วโดยความเป็นอารมณ์แทงตลอดโดยอารัมมณะปัจจัยว่าโอ้พระนิพพานเป็นอารัมมณะปัจจัยของของเราแล้วคือของผู้ที่บรร ล, ลุะนะของเราก็ทิ้งต่างว่าสักวันหนึ่งจะต้องปัจ เ, นะกกเ จ, จเวกอย่างนี้บ้างนาะพวกการหวังเมื่อไหร่ดีจะปัจเจเวกอย่างนี้บ้างกระเยิยมว่าสักวันหนึ่งจะต้องได้ปัจเจเวกบ้างนะ การก็บอกว่าขอให้เจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปนะผางหน่อยนโอ้รอระยะย่างการอิทบอกว่าขอชาบนี้แหละมั้ขอผางชาบนี้แหละเอ่อขอเรียนถามพระคุณเจ้าครับพิจารณามาัคขั้นแสดงเพียงชวนเจ็ดขณะเท่านั้นเจ็ดขณะนี้สามารถจะพิจารณาได้นะ กือก็พิจารณานี้เนี่ยเข้าใจว่าพิจารณาโดยคร่าวๆเนี่ยนะคือหนึ่งวิธีอะนะแต่ว่าในตอนหลังท่านก็ยังมาพิจารณาอีกสังเกตดูถ้าเราศึกษาพุทธคุณเนี่ยนะอ่าพระพุทธเจ้าบางวันเนี่ยพระ อ, องค์ก็มาพิจารณาว่าพระ อ, องค์มีคุณอะไรบ้างอย่างเนี้ยก็จะระลึกนยะหรือพระสรัพหบุตรท่านจะมาพิจารณาถึงคุณของท่านในตอนหลังหลัง ท่านการพิจารณาตอนปั จ, จเจกขณะยาเนี่ยเข้าใจว่าไม่ได้ละเอียดรอบคอบถี่ท่วนทั้งหมดเพียงแต่รู้ว่าอันนี้เราได้อันนี้เราหมดนนะมรรคเราได้ผลเราได้กิเลส ต, ตัวนี้เราหมดท่านิพผานอันนี้เราเห็นละแต่ว่าไอ้ความละเอียดรอบคอบเป็นต้นก็ก็ต้องอีกระยะหนึ่งนะเพราะในตอนหลังท่านเหล่านี้ก็มาเสบยสุขที่เกิดจากมรรคผลของท่านนั้นท่านก็จะพิจารณาอย่างนี้ซึ่ง ไม่ใช่พิจารณาอยู่ครั้งเดียวถ้ากล่าวให้ตรงๆเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพิจารณาอารยาิยมรรคใช้เวลากี่ชั่วโมงสี่ชั่วโมงอันนี้นี่คืนพรอองค์เสวยวิมุติสุกตลอดเจ็ดวันก่อนใช่ไหมพอคืนที่เจ็ดขอคืนของวันที่เจ็ดเนี่ยพระ อ, องค์พิจารณาอะไรก่อนพิจารณาสมุทัยสัตว์นะพิจารณาสมุทัยสัตว์ตลอดเท่าไหร่อืมขอไปพิจารณาเออใช่สมุทัยสัตว์หรือกิเลสเนี่ยนะ สี่ชั่วโมงพิจารณานิโรธศัสตร์อีกสี่ชั่วโมงพิจารณามรรคศาสตร์อีกสี่ชั่วโม ง, พ, มโมงพิจารณาอยู่สิบสองชั่วโมงเนี่ยนะปัญญาระดับนั้นเนี่ยคิดสิบสองชั่วโมงเนี่ยนะถามว่าขนาดไหนคือขนาดเขาเรียกว่าหายใจเข้าออกเือเดียวเนี่ยนะระลึกชาติได้เก้าสิบเอ็ดกลับเนี่ยแล้วถ้าพิจารณาอย่างนั้นสิบสองชั่วโมงเนี่ยจะรู้ขนาดไหน เขาบอกว่ามีมีวันที่พระพุทธเจ้าพิจารณาในรัตะนะคระเจดีเนี่ยนะตลอดเจดวันเนี่ยถ้ามาคิดเป็นคำคำมาเป็นภาษาเขียนภาษาพูดเนี่ยนะเทศอยู่พันปีก็ไม่จบเนี่ยนะเทศอยู่พันปีก็ไม่จบเนี่ยนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยระดับนั้นแต่นี่ก็เป็นการแสดงเพียงตัวอย่างให้เห็นดูคร่าวๆอนะสัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเรียนเรื่องอนุสัยไปอนะคะแล้วก็แสดงว่ามัก ไม่ได้ละกิเลสในขณะนั้นแต่ตอนที่กิเลส ท, ที่ละแล้วแล้วพิจารณาเนะคะีครับพิจารณาการละกิเลสกิเลสอะไรครับที่ถูกละไปล้วจะรู้ได้ไงครับกิเลส ท, ที่เหลือในขณะคือรู้ได้ยังไงเนี่ยนะถามากก็ถามว่ากิเลสเนี่ยถ้ามันจะเกิดมันเกิดที่ไหนสมมตินะถา้าราคะจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ที่ไหนนะกิยารูปสาตตรูป ถ้าพิจารณาปียรูปสาตรูปจนละเอียดละอเต็มที่โดยแง่มุมต่างๆเนี่ยนะถามว่ารู้ได้ไหมว่าจะชอบในสิ่งนั้นต่อไปหรือไม่เนี่ยนะก็ก็ไม่ชอบแล้วใช่ไหมเธอเพราะอนุภาพของการทำปริญญาเอาไว้ที่อริยมรรคจะเกิดขึ้นเพราะการทำปริญญาเมื่อทำปริญญาจนบริบูรณ์เนี่ยนะกิเลสเนี่ยมันจะเกิดก็เกิดในวัตถุเป็นที่ตั้งแห่ง กริ ญ, ญาใช่ไหมพอมาตรวจดูสํารวจในวัตถุเหล่านั้นรู้เลยว่ากิเลสไม่มีในอารมณปัจจัยนี้อีกต่อไปอย่างสกายะเนี่ยนะสกายะเนี่เป็นอารมณปัจจัยของของอะไรสกายอของทิฏฐิเนาะทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานุสัยอวิชาด้วยแต่ถ้าเทียบโซดาปฏิมาคเนะี่ยท่านมาสํารวจในสกายะทั้งหมดเนี่ยรู้เลยว่า ไม่มีส ก, กายะใดเป็นที่ตั้งแห่งมิฉาทิถิและวิจิกิจฉาอีกต่อไปเนี่ยนะอันนี้คือสำรวจนะนะมามาสำรวจดูที่อารมณ์พิจารณากิเลสที่เหลือเนี่ยโดยอาศัยอะไรก็ราอาศัยอารมณ์เป็นที่โคจรแห่งกิเลสพอมาสำรวจที่อารมณ์ไม่รู้เลยว่าต่อไปนี้ไม่ใช่ดินแดนแห่งกิเลสอีกต่อไปมีคาถาในค้าววิสานะสูตรเนี่ยนะ ในในคัมภีร์สุตตานิบาตกล่าวถึงว่าท่านเปรียบเทียบอุปมาว่าไฟนี้จะไม่กลับมาไหมในในที่ที่ไม่ไปแล้วชันใดหรือปลาเนี่ยนะที่แหกตะขายออกไปได้นะจะไม่กลับมาติดข่ายที่ตรงนั้นอีกชันใดอรยิยมรรคที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะเผากิเลสแล้วแทงตลอดพระนิพพานได้จากพีจาจรณาอย่างไรจะไม่กลับมา มาทำกิจตรงนั้นอีกต่อไปเมื่ออรียมรตทำกิจในทำปริญญากิจในส ก, กายะเหล่านี้แล้วด้วยอานาจโสดาปฏิมาศนะตรงนี้จะไม่ใช่เป็นดินแดนแห่งพิธิวิจิเกช้าของท่านอีกต่อไปทีนี้การมราคะอย่างหยาบกับปฏิฆาอย่างหยาบเนี่ยนะของพระสกธาคามีนี้ก็ทำปริญญาเพราะให้อย่างหยาบทั้งหลายเนี่ยพระสกะทาคามีนี้ก็ ได้ถามว่ารู้ได้จากอะไรการมราคะที่เวทนาสองในกมรมธาตุปฏิฆาที่ไหนทุกขเวทนาเพราทุกขเวทนาของท่านเนี่ยนจะเป็นที่ตั้งแห่งการมราคะกับปฏิฆาอย่างละเอียดเท่านั้นอย่างหยาบเนี่ยสกท า, าคามีมร์เผาไปแล้วเนี่ยนะก็เรียกว่าเผาแบบอย่างหยาบไปก่อนพอมร์ที่เหลือก็จะเริ่มอนาคามีมร์ ก, ก็เผาอย่างละเอียดหมดเลย พันเวทนาสองในการมาธาตุจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งกามราคานุสัยกับปฏิคานุสัยของท่านอีกต่อไปเพราะท่านทําปริญญาในเวทนาสในกามาธาตุหรือทุกขเวทนาในกามาธาตุ